วันนี้ตรงกับวันที่ย4่สิบสี่สามกม2า3 0สองันห้าสามสิบเป็นตรงกับวรงแรมส3บสามข้าเดือนแปดวันนี้เรื่องของจุลรจะไปเที่ยวเฉพาะโลกพระสุกเป็นว่าสองตอนี้ไปเฉพาะพระสุกอย่างเดียวขอเรียกรับตัดความหลังจากคุณแม่ตำหนิหรือว่าเตือนจุลร าการทำสมาธิของจุไหลยังช้ามากนักท่านี้เพราะว่าก่อนจะไปไหนได้ต้องขยับขยื่นต้องสมาธิอยู่นานคุณแม่แนะนำเธอว่าความจริงเรื่องสมาธิก็ดีการทรงกําลังจิตให้สะอาดก็ดีจะต้องมีเป็นระยะตลอดวันคําว่าเป็นระยะปันดารงพุทธบญสัตได้หมายความวันหนึ่ง จะมีเฉพาะจิตที่ว่างจากงานอื่นเวลาเดินไปธุระก็ดีเดินไปโรงเรียนก็ดีนั่งอยู่ว่างจากการงานก็ดีเวลานันมาจิตว่างาจจากาอื่นก็ให้ชำระจิตให้สะอาดคือไม่นล็ถเงอารมณ์ิวรทั้งห้าประการแกล้งทำลือมีบหนมิวร ห, ห้าประการเสีย แล้วก็จิตรู้รู้ลมให้ใจเข้าออกจิตนึกภาวนาจิตนึกเห็นพระพุทธรูปก็ดีพระสงฆ์ก็ดีหรือว่ารูปพระพุทธเจ้าตามที่เคยเห็นก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัววาระหนึ่งจะได้แต่สองสามนาทีก็ใช้ได้เมื่อทำการอย่างนี้จนชินภาพพระจะแจ่มใส จิตจะมีสภาพทรงตัวตามขณะที่ต้องการและมาต้องการจะรู้อะไรจริงๆให้เรารับรว บ, บรับตัดใจความไม่ต้องจับอารมณ์ภาวนาแค่กาหนดจิตจับลมหิยใจปับ๊บขึ้นไปปุ๊บไปไหนก็ไปได้ทันทีอยากรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีแต่ว่ามารู้แล้วเห็นแล้วถ้าต้องการความแม่นยาเวลานั้นเห็นนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เห็นภาพของพระองค์แล้วก็ใจนึกถามทั้งภาพนั้นว่าเป็นอะไรถ้าความรู้สึกของใจบอกว่าเป็นอะไรให้เชื่อตามนั้นทันทีเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่าตอนปฏิบัตินี่ไม่ใช่นิทานขอยืนยันว่ามีผลตามนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททําได้จะเป็นดัน่าได้อย่างนั้นจริงๆ ตอนนี้ไปพระบรรดาเป็นพระตบิษัทชายหญิงและบรรดาลูกหักทั้งหลายก็พากันฟังเรื่องราวของจุไรเมื่อจุไรฟังคําแนะนําของแม่หรือว่าแม่ตําำดิไกลๆที่ก็ต้องตั้งใจทําตามนั้นอาัยอารมณ์ใจที่เป็นเด็กและก็เป็นเด็กดีเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์โดยการใช้ปัญญา ลูกหลานที่รักงทราบว่าคนที่มีสมาธิขนาดนี้สามารถได้ส่วนหนึ่งปลีกย่อยของปัญญาสมบัติก็ต้องถือว่าเป็นเศษของปัญญาสมบัติแต่ก็มีความสําคัญมากสามารถจะทบทวนความรู้สึกความประพฤติของคนอื่นได้คําแนะนําใดๆของแม่ก็ดีของพ่อก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ตามของชาวบ้านก็ตามที จะถูกเรีิดก็สา ม, มารถสอบได้ด้วยกำลังใจที่เป็นสมาธิและก็จิตที่เมต์มสะอาดถามภาพพระนึกถึงพระแล้วถามทันทีว่านี่ผิดและถูกแต่ความรู้สึกเกิดยังไงขณะนั้นจิตสะอาด จ, จะบอกตรงๆตามความเป็นจริงและเชื่อตาม น, นั้นได้ตัวความมลุกรักที่เป็นเด็กทุกคน่อลูกที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตาม ญาติโยมที่เป็นทพยไยว่าก็ตามถ้าใช้กําลังใจอย่างนี้อารมณ์ผิดจะหายากเราจะเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อหรือว่ามีท่านยืนยันว่าคนเชื่อเราก็เชื่อท่านยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ควรเชื่อเราจะได้ไม่เชื่อจะได้ไม่มีคนมาโกงเราหลอกเราให้เชื่อและทําความผิดเพรว่าตอนนี้ก็เลยเป็ น, นเวลาเสียมหา้าเวลามห้านาที ตอนนี้ไปก็เข้าเรื่องคุณจุไรวันนั้นจุไรว่างจากการงานก็มีความรู้สึกนึกถึงคําแนะนําของแม่ความจริงถึงเมืตั้งแต่แม่เตือนเธอก็ปฏิบัติตามตลอดเวลาแต่ว่ามาตอนนี้ว่างนิลมว่างก็คิดว่าคุณแม่เตือนการที่จะไปไหนจะรู้อะไรได้ทันทีก็ต้องตั้งจิตอารมณ์เป็สมาธิอยู่ไม่ถูกต้อง มันไม่ผิดตัวชาเกินไปไม่ทางเหตุการณ์แม่ต้องการให้เราต้องการจะรู้อะไรนึกรู้ได้ทันทีแต่เห็นภาพนั้นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงองค์สมเด็จพระบัณที่แก้วคือพระพุทธเจ้าเห็นภาพทันชัดถามทันทีอย่างนี้เร็วมากแล้วก็มีการถูกต้องวันนั้นเวลานั้นเธอเมียมโปรง่งเธอก็มีความรู้สึกว่าวันวานนี้ไปเที่ยวดาวพหัสบดี การชมดาวไหลดวงก็ดีไปเที่ยวดาวไรก็ดีรู้สึกว่าอิโลโ ค, เคลเกลิกมากพล่องแพร่งมากถ้านี้เพราะอะไรพระกาลังใจไม่ปกติมีความเหน็ดเหนื่อยจากการงานอย่างอื่นแล้วก็มีอารมค้างคำว่าอารมค้างไม่จิตโกรธมีจิตเป็นกังวลวันนี้กําลังใจขอนต้นปิสระที่มีความเยื่อจริก็ควบคุมกาลังใจเล่นโกโก้ คิดว่าวานนี้จะไปดาวพฤหัสมาแล้ววันนี้ถ้ามีโอกาสว่างจะชวนคุณแม่ไปเที่ยวดาวประสุกเพราะภาพดาวประสุกที่เห็นวานนี้รู้สึกว่ามีเมฆหมอกมีลมพัดแรงหมนุนคล้ายๆกับมีพายุหยุดภายนอกไม่สามารถจะเข้าไปได้นั่นเป็นสิ่งที่มีชีวิตธรรมดาจะเข้าไปไม่ได้ ปียานภาณธรรมดาจะเข้าไปได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นจรวดของฝรั่งก็ไปไม่ยากเหมือนกันเพราะไม่กลัวกระแสลมอาจจะถูลมต้านทานได้บ้างแต่ก็ไม่มากแต่เราเป็นพวกสองประเภทคือรูปธปรรมกับนมามธรรมเราที่รูปธปรรมไว้ที่นี่คือร่างร่างกายไว้ที่นี่ ใช้กายที่เป็นนามาทําไปที่โน้นนามธทําไม่เมีอันตรายเพ่คิดในใจว่าถ้าโปร่งดีวันนี้จะลองจะลองไปดูโลกพระศุกร์และจะคอยคุณแม่สักนิดหนึ่งคุณแม่จะว่างหรือยังก็ไม่ทราบเพือคิดเท่านี้จิตก็เริ่มจับอารมณ์นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นพอนึกปั๊บกปลายกดประภาพพระพุทธเจ้าลอยอยู่ข้างหน้า สสะอาดมาสว่างเจ้ า, าทรงยบพระโอษฐ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านผู้ฟังก็ปลายกฎอธิสมาในกายของจุไหลลอยเลิ้วไปถึงยันใกล้โลกประสบพ อ, อไปถึงที่ตรง น, นั้นแล้วถึงก็มีความรู้สึกว่าตายจริงวันนี้เรามาคนเดียวหรือแต่ก็ไม่เป็นไรข้างหน้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ขา้างหน้าสายสะอาดสวยสดงงามแผวพาเป็นยับ ถ้าเรามีความกลัวและยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งวันนี้ตายจริงว่าเราลืมหรือฉวนคุณแม่ถ้าคุณแม่มาด้วยจะได้เป็นที่ประสานง่ายๆสฉัรับพระพุทธเจ้าเกรงใจท่านด้วยความเคารพจะถามอะไรจุกจิกก็ไม่ไม่กล้าถามแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องถามคิดว่าถ้าคุณแม่มาด้วยก็จะดีพอเธอคิดเป็นตอนนี้ก็ดีินเสียง ว่าจูไรลูกรักแม่อยู่ที่นี่เอวมังซ้ายมังขวาหันหน้าไปไม่เห็นแม่ดิ้นแต่เสียงเอหน้าคือมนต์รายคุแม่รอยอยู่ข้างหน้าสายสะอาดสว่างมากแรพร่พาเป็นรยับสายสะอาดสวยสดุ ง, งามกว่าเธอเธอก็กราบคุณแม่แล้วก็ถามว่าคุณแม่สราบเป็นเจ้าปนูมาแม่ก็บอกว่าแม่สราบทุกระยะตั้งแต่ลูกคิดว่าจะชวนแม่ แม่ถือว่าเวลานั้นลูกชวนด้วยความเต็มใจเธอก็ถามคุณแม่ว่าลูกคิดในใจเจ้าค่ะยังไม่ออกปากจะชวนคุณแม่ทราบไปยังไงคุณแม่ก็ตอบว่าคำว่าสมาธิโดยการตั้งใจมันม่นมีศีลเป็นพื้นฐานมีพรมิหารสี่เป็นบาดฐานใหญ่และมีกําลังใจส ะ, สะอาดสามารถจะทราบความรู้สึกไม่ิตของบุคคลอื่นได้ตามต้องการ ที่เรีกว่าเจตูริยญาณก็เรื่องความว่าคุณแม่แม่รู้ความรู้สึก ข, ของลูกจากเจตูริยญาณเธอก็ถามว่าคุณแม่รู้เฉพาะเวลาที่ ล, ลูกนึกและลูกนึกนานๆไปแล้วคุณแม่ก็รู้คุณแม่แต่ว่าต้องการรู้อะไรก็รู้มานั้นเว้นถ้าแม่ต้องการอากรู้กำลังคิดอยู่ก็รู้ได้ทันที เพราะว่าลูกคิดเป็นนานแล้วตั้งหลายหลายวันหลายปีก็าตามถ้าแม่มีความรู้สึกต้องการว่าลูกเคยคิดอะไรไว้เวลาไหนบ้างหรือปรารถกกับใครแม่จะเห็นภาพรู้เมื่อรู้ทันที <S <S <S อย่านี้จะเรียกว่าเจตุรียานบ้างอตีตัณฑียานบ้างที่รู้ส่วนที่ลูกามาแล้วคิดหลายหลายวันและออธีตังฑียานเรว่าเจตุรียานรู้ใจคนอื่นด้วย ไม่ก็รู้เวลาการที่ผ่านมาแล้วด้วยว่าทำเวลาไหนเจ้า <c oughs> ไอ้ก็ดีใจทราบว่าคุณแม่รู้ว่าระน้าจิตคิดอะไรคุณแม่ก็รู้ฉังนั้นเธอจึงถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาเวลานี้เรามาอยู่ใกล้โลกรลสุกแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าใช่ด้านหน้าน่าใ น, ใ น, ใ น, ในไกลจากนี้ไปประมาณพันโยต์เป็นโยต์ของโลกชมพู <c oughs> เราจะมองเห็นโลกพระสุกร์เราเรียกว่าดาวพระสุกดวงแท้แต่ว่าถ้าที่เดียเรายืนอยู่คนนี้อยู่ไกลโลกพระสุกมาประมาณพันพันโยชแต่มองเข้าไปด้านหน้าของเราโลกรักมีทั้งเมฆมีทั้งหมอกปกคุมอยู่ภายนอกคลุมห่อแปรอากาศสาตว์เาว่าอากาศสาตวไม่จะแจ่มใสแปรอากาศสาตวที่มีเครื่องประกอบ คือว่ามีเมฆมีหมอกปกคลุมหนาทึบแล้วก็ลังขยับเข้าไปในใกล้เข้าไปอีนิดหนึ่งตอนนี้ก็จะเห็นเม่กลุ่มเม่ใกล้ใกล้ ก, กับดาวพระสุกร์คว่าใกล้บรรดาท่านพระตถาคตสัทว์โล ก, กทั้งหลายจุไรกําลังเห็นว่าใกล้แต่วัตยะจากโลกพระสุขจริงๆจากผิวเพื่อนีมองเห็นจากเมฆหมอก อ, อันนี้อันนี้เป็นหินมะ นน้ำหนารากฏว่าไกลกันมาประมาณร้อยหยดตอนนี้ยัมีสภาพเป็นเมฆหนาขึ้นกว่าเดิมการล่องลอยของเมฆชาลงไปอะไรากายแสงแพร ว, ว่าต้องแสงพระอาทิตย์เป็นนึงว่าโลกพระสุกจริงๆที่เราเห็นนวาดาวพระสุกจริงๆที่ได้เห็นแพรวพราเป็นยับจริงๆกับสายตาสว่างมากคล้ายดากกระบอปึก ดาวพระศุกร์เจมันตัวเวลาข้าใหม่ๆดาวกันนบพรกเจมประมาณตีสี่อยู่คนอาทิตดาวพระศุกร์อยู่ด้านทิศตะวันตกดาวกันนบพรพุกอยู่ด้านทิศตะวันออกดาวสองดวงนี้มีแสงสว่างคล้ายกันแต่ดาวกันนบพรพุกเรจะมีความรู้สึกว่าใกล้ตัวเรามากดาวพระศุกร์รู้สึกไกลตัวไปมาก พอเวลาต้องแสงอาทิตย์แล้วรู้สึกแพร่พร้าเหมือนกันสว่างจ้าเหมือนกันเ็ร้องความว่าเท่าตีเห็นดาวพระสุกสว่างใสสว่างเวลากลางคืนจุไรก็เปลว่าแม่เป็คุณแม่เจ้าขาดาวพระสุกจริงๆที่มองไปไม่สว่างแต่แสงพร่าเปล่าเปล่าเป็นระยะที่มองเห็นไม่เวลากลางคืนในโลกมนุษย์เวลานี้จับได้้ ว, ว่าเป็นแสงแพรวพราาจากหิมะ หมอกน้ำที่ลออยู่ใกล้ดวงดาวประสุกเมื่อแสงพระอาทิตย์พุ่งเข้ามาถึงก็แรงกฏว่า จ, จับกระท น, น้ํอนน้ำเข้าคล้ายๆดูไกลๆคล้ายๆกับกระจกสะท้อนแสงพระอาทิตย์คุณแม่ก็ตอบว่าใช่แสงแพร่แพร่ใหญ่เป็นก้อนเมฆที่เป็นน้ําแต่ว่าไม่ใช่น้ําแท่งที่เป็นน้ําแข็งเลยทีเดียวแพร่แพร่ปนยับจับอยู่ใกล้ก้อนเมฆขอโทษ ลอยอยู่ใกล้โลกพระสุขพอมองเข้าไปถึงโลกพระสุขจริงๆเธอก็ต้องสะดุง้งก็ปลาลคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาโลกพระสุขนี่ทําไมไม่เหมือนกับที่เราคิดแม่ก็ถามว่าลูกคิดว่ายังไงเธอก็ตอบว่าโลกพระสุขนี่ความจริงคิดว่าจะมีสภาพเหมือนกระจกเงาเมื่อใช้ท้านแสวว่ า, าที่จะแพร่พาเป็นยับ แต่ความจริงเมื่อเข้ามาใกล้โลกพระสุกนี่ใกล้แล้วเวลานี้อยู่หางจากโลกพระสุกจริงๆไม่เกินหมื่นฟิตเข้ามาใกล้แล้วสามารถมองเห็นโลกพระสุได้ชัดด้วยตาที่เป็นทิพย์เทอมองปราดลงไปทีแรกก็รู้สึกเห็นทั่วหมดรอยกับนโลกพระสุกด้านหน้าด้านดวงพระอาทิตย์เป็นกลายเป็นโลกโหโล้น ต้นหมากลากไม้ก็ไม่มีบ้านเรือนคนก็ไม่มีเต็มเรืยความร้อนถ้าโลกพระสุกจริงๆนี่ใหญ่กว่าโลกพระพระพุทธมากแล้วก็การอยู่ใกล้พระอาทิตย์ก็ไกลกว่าพระอาทิตย์ไกลกว่าโลกพระพุทธที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์โลกพระพุทธอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากกว่าโลกพระสุกโลกพระสุกไกลกว่พระอาทิตย์ออกมาห่างมากห่างมากจัด แต่ว่าตอนหน้าของโลกประสุขยังถูกความร้อนของดวงอาทิตย์เผาอยู่ดูแล้วก็เหมยเหมยกับคนเหมือนกับหน้าคนประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านก็ชอบเรียกว่าผมดกปกไหลหน้าไล้เฉลิมทองฟังชัดไหมถ้าฟังมาใช้ก็ขออภัยเล่นไม่ดีวันนี้ว่าผมดกปลกไหลหน้าไล่เฉลิมทอง นั่นหมายควส่วนผมที่ดกก็ยาวลงมาปลุกไหลแต่หน้าไล่เฉลี่ยทองก็หมายความว่าหน้าผากยาวมากเกินไปคือว่าหน้าผากด้านหน้าคล้ายคนหัวล้านลึกเข้าไปมากมีผมติวตั้งแต่ส่วนห้าสิบเปอร์เซ็ของศรีรษะไปถึงด้านหลังแต่ส่วนทุ่ด้านที่มีผมก็ผมก็สวยยาวมากจริงๆชุ่มชื่นแลได้เพิ่มพันธัญญาหาร ถ้าเปียกก็ต้นไม้เขาจะเรียกว่าผมดอกโปรกลัยแต่วันแต่วหน้าไร้เฉลิมทองเมื่อจุเลมองเห็นอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าโลกพระสุขนี่ความจริงมีสองสุขสุขแรกเบื้องต้นด้านหน้าเป็นความสุขจากการแผดเผาขั้ดวงอาทิตย์ให้พื้นดินสุกพื้นดินสุกก็ขาดธาตุอาหารต้นไม้ก็ไม่มี คนเลนสัย ก, ก็ไม่มีใครจะอยู่ได้อยู่ก็ถูกเผาตายเพ่มมองมาแดนกลางถึงด้านท้ายมีพืชพันธุ ญ, ญาหารมีต้นไม้ยิ่งไกลไปด้านเหนือมากเทไรก็ตามทีก็ยิ่งมีต้นไม้หนามากขึ้นมีความทุ่มชเนมากจิ่งกราบเรียนถายคุณแม่ว่าคุณแม่จะขายคําว่าโลกโลกพระสุขน่าจะมีความสุขคือสอเสือสรุ ข, ขอไข่ สุขจริงๆแต่สุขประเภทนี้ที่มองเห็นกลายเป็นสุขสองสุขคือสุขประเภทถูกไฟเผาสุขประเภทหนึ่งตอนหนึ่งมีตอนหนึ่งก็สุขขประเภทมีความสุขเยือกยินแม่ก็ตอบว่าใช่ลูกนี่เป็นธรรมชาติของโลกโลกเป็นธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ในเมื่อสภาวะของมันเป็นยังไงก็ต้องปล่อยไปตามนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวชมการนีภาวิจารณินิจฉัยไม่ใช่หน้าที่ของเราจลไรก็ถามว่าคุณแม่คุณแม่ว่าเราไม่มีหน้าที่วินิจฉัยเรื่องของโลกก็เรื่องของเราที่เรามาเที่ยวดาวต่างๆอย่างถูกคนมีภาวิจารณินิจฉัยคุณแม่ก็ถามว่าเขาวินิจฉัยก็ยังไง ลูกสาธที่แล้วก็บอกว่าติงข่าวเขาพูดกันเด็กเพื่อนนักเรียนพูดกันว่ามีท่านบางท่านท่านบอกว่านิทานเรื่องนี้นะโกหกว่าโลกต่างๆที่จะมีสิ่งที่มีชีวิตมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์โลกชมพูที่เราอยู่โลกต่างๆทั้งหมดจะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยแม่ก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเห็นขอแต่ละบุคคล ย่อมเป็นไปได้กายความคิดเห็นนี้ห้ามกันไม่ได้กายมีความรู้สึกอย่างใดกับเรื่องพนกนั้นแต่ว่าแม่ขอขั้นนิดหนึ่งแม่ก็ถามว่าลูกรักลูกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไหมจุไรบอกว่าถ้าลูกไม่เชื่อลูกก็มาอย่างนี้ได้จุไรถามว่าเธอมีความเคารพแต่พระพุทธเจ้าไหมเธอตอบว่าความเคารพในพระพุทธเจ้า คุณแม่ก็ว่าพู้เจกจะบว่าโลกอเป็นโลกธาตุหมายความว่าโลกเปน็นเป็นวัตถุประเภทนี้ไอเ้เจ้าเรานี้ทั้งหมดเหมือนโลกาัาไหมายความอาจจะถือเหมือนไปแต่ในเวลาเหมือนโลกขาดในมีมนที่มีชีวิตนับไม่ถ้วนบางโลกก็ขาดสิ่งมีชีวิตบางโลกก็มีสิ่งที่มีชีวิตอย่างจับโลกที่เราต่างมาอยู่นี่ น่าสิเปอร์เซนของพื้นโลกตนที่มีสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีความร้อนสิเปอร์เซื้องหลังเข้าไปมีสิ่งชีวิตอุไรก็บอกถ้านักฟิสิกสศาสตร์เขาจะตอบได้ยังไงคุณตอบว่ารู้ตรงไม่ต้องตอทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเพื่อนยืนยันเขาไมีความรู้ทันความจริงนักฟิสิกศาสตร์ความเขามีเครื่องมือพิสูจน์ ว่านักศิชาตุกไม่ใช่มีทุกอย่างสิงายที่นักศิชาต์ยังมั้ก็มีผู้ที่รู้พจน์ทั้งหมดก็มีสมเร็จพร้ครูคือพระตจาแต่ว่าทางดีาศาสตร์ จ, จริงคิดว่าคายคานเพราะนักยาศาสตร์จริงเขาเป็นคนปัญญาจุไรก็ถามคุณแม่ความตำมั่นแบงไรเรียว่าพิยาศาสตร์จริงๆทําไม่คานก็คนคันมันนี่เขาเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีความรู้ด้านวยาศาสตร์ แต่คุจะลกระตอบว่าเรื่องนั้นแม่ก็ไม่กันเพราะว่าท่านอนั้นมีวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ดีษัตร์อาัาไดยมีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนก็ได้แต่ที่แม่รักวิทยาศาสตร์จริงๆเขาไม่ตอบดังนี้ถ้าเสใจที่เขารู้ไปถามเขาเข้ า, เ, าเขาก็ตอบว่าสิ่งนั้นอย่างควาไม่ไม่อย่างคนพบเขายอมปฏิเสธก็ไม่ยอมยอมรับ แม่ก็อย่างเวลาสิบนาทีลูกรักห้านาทีเวลาห้าเขาเสกันนี้ด้านนี้ก็เขาพูดว่าเวลาที่กําลังยืนดวงดาปรบศกมองแล้วด้านหน้าเป็นผนึกโปรไกหน้าล้าทองด้านกลางไป็นท้ายพืชพันธ์นันสมบูรณ์แบบมีน้ําบริบูรณ์ความชุกชื้นมากมีสิ่งที่ริดแต่ก็ตัดดูไล่วลูรักในสมัยเมื่อแม่เป็นเด็กเย่าคุณปู่ ทำให้คุณปูกเขาจะปููกปัญยาท่านบอกว่าท่านอ่านหนังสือฉบับหนึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แต่ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอาจจะไม่เป็นประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ท่านบอกว่าท่านพบว่านักวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งขอสงวนประเทศถูกชาวบ้านกล่าวฝันเกี่ยวกังผีว่าบ้านผีดุเขาก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์คนนั้นว่าผีมีจริงไหม ทาง น, นักวิชาตผู้นั้นจึงบอกว่าคําว่าผีดีข่าวเล่าเือกันมานานแต่ได้เกิดมาก็ดึงคาว่าผีแต่ว่าทางหลักวิชายังค้นไม่พบนี่จริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาท่านนักยาศาสตร์คนนี้ก็ทําการคุ้มครองด้วยวิญญาณคือเรื่องผีๆเพรนว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีชาวบ้านเขาบอกเล่าให้ฟัง เป็นบ้านใหญ่โตวสวยงามมากคนบ้านเขามหาเศรษฐีท่านหนึ่งเว่าท่านมาหาเศรษฐีสอนคนโพเมียตายแล้วลูกและหลานก็อยู่บ้านนั้นไม่ได้ถูกผีถูกปีรบกวนเจอท่านใครจะมาเช่าอยู่ก็อยู่ไม่ได้มาวันหนึ่งนักวิชาตผู้นั้นอยากจะพิสูจน์คำว่าผีมีจริงหรือไม่ พ่ก็ยกคณะของท่านพร้อมในวงดนตรีไปเล่นลีลาเต้นรำกันเปิดไฟสว่างชั้นล่างของบ้านนั้นแต่ปรากฏว่าขมาที่กำลังสนุกจยนนันชั้นบนเนี่ยเขาใส่กุญแจห้องทั้งหมดใส่กุญแจหน้าต่างก็ปิดแต่วันใดขึ้นเปิดช่องวันใดขึ้นน่ะเปิดไว้ ก็มีบรรดาพวกนักวิชาดวยกันออกมาหยิบนอกบ้านมองเห็นชั้นใบสว่างพฤกต์มีคนมากมีดนตรีและมีการเต้นรําเหมือนกันก็มาบอกพวกเพื่อนพวกเพื่อนได้ฟังแบบนั้นก็คิดว่าใครนอเป็นคนขึ้นไปก็ต่างคนอยากจะทราบพราทุกคนก็วิ่งกันไปดูชั้นบนราโกขึ้นไปชั้นฝนบายไฟดับพึกหน้าต่างก็ปิดทุกเสียงทุกอย่าง เงียบสงดไม่มีอะไรเลยขนมวิ่งลงมาข้างล่างออกไปยืนข้านอกเห็นข้างบนเต้นราไฟสว่างอีกวิ่งเข้าไปอีกแบตด้นสามครั้งเรว่าสามครั้งไม่พบอะไรพอสุดก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากการเล่นลีลาตเต้นรำกันจากชั้นล่างไปชั้นบนชั้นล่างดักไฟหมดตั้งยามบุคคลคุมไฟไว้ว่าสวิทย์ไฟห้ามแตะต้อง เมื่ขอข้างบนกำลังสนุกข้างล่างาก็แสดงอีกตามรูปเดิมเปิดไฟสว่างคนเต้นราเต็มบ้านเหมือนกันพวกชั้นบนเขาตั้งยามไว้เสียงยามเขาล่าแต่โกลเไปพอกข้างล่างไฟสว่างแล้วคนมากเป็นพิเศษมากกว่าพวกเราทุกคนเขาวิ่งไปโดกรากลข้างล่างไฟดับมึดเป็นน้านักวิทยาศาสตร์คนนั้นยอมรับความเป็นจริงว่าคําว่าผีผีนี่มีจริง แต่ตัวผีจริงๆยังจับเป็นได้คาว่าผีผีก็หมายควาเรื่องผีผีนั่นคือสิ่งที่ปลายกฏและจับไม่ได้สี่ที่ว่าผีก็แล้วกันคุณแม่พูดอย่างนี้ยังกล่าว ก, กุญจุลไยลูกรักว่าลูรักถ้านักพยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาต้องค้นฟ้าอย่างนี้แในเวลานี้ลูรักก็จงอย่าคิดว่านักพยาศาสตร์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีหลายอย่างที่นักวิยาศาสตร์ทั้งหลายยังไม่ทราบมีอยู่ แต่เรื่องของเรานี่ถ้าใครก็ถามกราก็บอกว่าทุกคนไม่ยอมไม่คนเชื่อเพราะเป็นเรื่องนิทานตัวเราเองทั้งสองคนทั้งแม่ลูกก็เป็นตัวคนนิทานไม่ใช่คนจริงๆไปหาคนจริงๆคนที่ชื่อจุไรอาจจะมีอยู่แต่ตัวจูไรที่ไว้ผมจุกเงยห่างขวบแบบนี้คงไม่มีในโลกนี้ไอ้คนรูปร่างเหมือนแม่ก็คงไม่มีในโลกนี้ เรื่องความเมืเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานเขาจะเถียงก็ทําไมเพราะคําว่านิทานไปรี้ยจินใจลูกรักเรื่องสิ่งที่ไม่ควรคิดคนใดถ้าคิดเรื่องนิทานคนนั้นก็มีความลําบากนัยความประสาทคนนั้นผู้นั้นจะฟันฟ่นเฟือนเพราคิดมากเกินไปจุไรลูกรักแม่เตือนเวลานี้แม่เป็นคนแก่ในะลูกนะพูดวาันนาันแล้วประมาณสามสิบนาที ตอนนี้ขอพักสักนิดนึงนะประเดี๋ยวคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลส ม, มลบูรณ์ผลผลต้องมีแต่ลูกรักทั้งหลายทุกคนสวัสดี